เเมนทะกะเศรษฐีพระศัสดาเมื่อทรงอาศัยอยู่ในพัทยนครประทับอยู่ในชาติยาวันป่าไม้มะลิทรงปรารลบเมนทะกะเศรษฐีได้ยินว่าพระศัสดาเมื่อเสด็จจาริกไปอังคุตราปาฐชนบททรงเห็นอุปนิสัยโสดาปติพลของคนเหล่านี้คือ เมธะกะเศรษฐีนางจันทปรทูมาภริยาบุตรชื่อธนันชัยเศรษฐีหญิงสะพ้ยชื่อนางสุมนาเทวีหลานสาวชื่อวิสาขาและท่าชื่อปุณณนะจึงเสด็จสูพ่พระยานครประทับอยู่ในชาติยาวันเมธะกะได้สดับการเสด็จมาของพระสะสดาแล้วเหตุที่ได้นามว่าเมธะกะ แพทองคำทั้งหลายตัวประมาณเท่าช้างม้าและโคจำแรกแผ่นดินปุดขึ้นในที่ประมาณ8กิโลเมตรเกิดที่ข้างหลังเรือนมีได้กลุ่มอยู่ในปากเมื่อต้องการวัตถุเงินทองย่อมนำกลุ่มได้ออกจากปากแพะเหล่านั้นแม้ตัวหนึ่งก็เป็นของเพียงพอสำหรับคนในชมพูทวีปเหตุชื่อว่าเมนทกะเพราะเหตุที่แปลว่าแพ บุรภาก ร, รมของเมธะกะในการพระพุทธเจ้าวิปสัสสีเกิดเป็นหลานกุดุมีชื่ออวโรชะซึ่งมีชื่อพ้องกับลุงครั้งนั้นลุงของเขาปรารถนาสร้างคันตะกุดีเพื่อพระสัสดาเขาจึงให้คนสร้างศาลารายในที่นั้นเสาแต่ละต้นบุ ด, ด้วยทองคำเงินและแก้วมณีแม้คือประตูหน้าต่างอิดทั้งหมดทาด้วยทองคาเขียว ศาลาสำเร็จด้วยรัตนะทั้งเจ็ดเบื้องบนศาลารายมีจอมประสาสามยอดทำด้วยทองคำแก้วผลึกและแก้วประพานให้สร้างมนดกประดับแก้วทำกลางศาลาร า, รายตั้งธรรมาฎไว้ให้ทาแพรทองคำตั้งไว้ภายใต้ตังสำหรับรองเท้าแพรทองคำหกตัวตั้งแวดล้อมมนดบทำการฉลองศาลาร า, ราย มีมนพระสัสดาพร้อมด้วยภิกษุหล้านแแสนถวายทานตลอดสี่เดือนเคลื่อนจากอัตภาพนั้นท่องไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพัทรกับนี้เกิดเป็นสกุลเศรษฐีมีโภคะมากในกรุงพาราณสีนามว่าพาราณสีเศรษฐีนครพาราณสีในการครั้งนี้ตั้งขึ้นในระหว่างพุทธันดรซึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัต รัตสรู้จะมีก็แต่พระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าเท่านั้นในเรื่องนี้ไม่ระบุชัดว่าอยู่ช่วงเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์ใดในพัทรักษกนี้วันหนึ่งเศรษฐีทราบข่าวจากบุโรหิตว่าจะเกิดภัยชื่อชาตกะภัยเป็นภัยแห่งความอดอยากจากนี้ไปอีกสามปีเศรษฐีฟังคำนั้นแล้ว ให้ปลูกข้าวใส่ช้างห2 5 0้าช้างบรรจุภาชนะตุ่มทั้งหลายให้เต็มขุดหลุมฝังข้าวเปลือกที่เหลือขยำด้วยดินฉาบทาฝาผนังทั้งหลายต่อมาภายความอดอยากมาถึงแล้วก็บริโภคข้าวเปลือกที่เก็บไว้เมื่อข้าวเปลือกในช้างและตุ่มหมดแล้วปล่อยค่าทาตบริวารเข้าสู่ป่าถ้าสมัยพิษสาหาง่าย อยากจะมาจงมาถ้าไม่อยากมาก็จงอยู่ที่นั้นเถอะเหลือทาตรับใช้ไว้คนหนึ่งชื่อปุณณนะตัวเขาภริยาบุตรเศรษฐีและสะพายรวมเป็นห้าคนเขาทั้งหลายยังอัตภาพด้วยเข้าเปลือกที่เหลือฉาบไว้ตามฝาบ้านความหิวกรอบงาแล้วได้เข้าเปลือกประมาณสองทนานตำแล้วได้ทนานหนึ่ง องแลแบ่งเป็นห้าส่วนขณะนั้นพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าองค์หนึ่งจากเขาคันธมาศออกจากนิโรสมาบัตถือบาจีวรไปอยู่ที่ประตูเรือนเศรษฐีมีจิตเลื่อมใสพลางคิดว่าเราประสบชาตกกภัยเห็นปานนี้เพราะไม่เคยให้ทานเลยในการก่อนพัฒหานิรักษาตัวเราได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้น เราจักถวายพัฒหานี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เราหลายโกรธกับทั้งห้าคนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกันจึงถวายส่วนของตนของตนแก่พระปัเจกพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็หลีกไปแม้ชนเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่จนพระปัเจกพุทธเจ้าถึงภูเขาคันธมาตพระปัเจกพุทธเจ้าได้แบ่งพัฒหานั้น กับด้วยพระปัจเจกกับพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ด้วยอนุภาพนั้นพัดคืออาหารนั้นย่อมเพียงพอทั้งหมดอ น, นิสงของทานเมื่อในเวลาเที่ยงภริยาของเศรษฐีเปิดหม้อข้าวมีข้าวเต็มหม้อมีสีดังดอกมะลิตูมดุนฝาและมีตั้งอยู่เมื่อตักแล้วไม่พร่องกลับเต็มดังเดิม ในวันนั้นฉางข้าวกลับเต็มดุดการก่อนเศรษฐีให้ประกาศในเมืองให้ชนมารับเอาแม้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นก็อาศัยเศรษฐีนั้นได้ชีวิตแล้วเศรษฐีเคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปเกิดในเทวโลกข้อนี้สันนิฐานว่าน่าจะเป็นช่วงพุทธันดรที่สิ้นศาสนาพระกัสสปะพระพุทธเจ้าแล้ว เขาได้ท่องเที่ยวไปอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปาทการนี้บังเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยนครภริยาของเขาก็ได้มาเกิดในสกุลมีโภคะมากและได้มาสู่เรือนท่านเศรษฐีนั่นเองแผะทั้งหลายได้เกิดมีประการต่างๆแล้วด้วยอาศัยกรรมในการก่อนผุดขึ้นแล้วที่ภายหลังเรือน แม้บุตรหญิงสะพยและาธาตุก็ได้เป็นแล้วอา น, นิสงแห่งบุญแต่การก่อนได้ถึงแกเ่เศรษฐีและบริวารทั้งหลายแล้วเศรษฐีได้ยินว่าพระสัสดาสเสด็จมาจึงไปเฝ้าระหว่างทางพวกเดียร์ธีห้ามไว้เศรษฐีไม่ฟังพระสัสดาทรงตรัสอนุปุปพิกถาแกเ่เศรษฐีในการจบเทศนา เศรษฐีนั้นบรรลุโซดาปฏิพลั์แล้วกราบทูลว่าพวกเยรทีกล่าวโทษและห้ามไว้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนเห็นยากเพราะคนย่อมโปรยโทษของคนอื่นดุดโปรยกล่าแต่ปกปิดโทษตนดุดรานกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดของตนฉะนั้น ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละหมายเหตุพระบรมศาสดามีปกติทรงตรัสสอนอนุปปิกขาเป็นส่วนมากได้แก่เรื่องทานศีล ส, สวรรค์โทษของกามและเนคมมะคือการออกจากกามหรือการออกบวช ทรงตรัสสอนไปตามลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อฟอกจิตให้ปล่อยวางจา ก, กรกามคุณจนอินทรีกล้าควรแก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงชนเป็นอันมากบรรลุธรรมเพราะธรรมมาบทนี้ดังเช่นยาศกาุลบุตรบิดามารดาและอดิตฐริยาเป็นต้น